Thank you. เทราทุกเทราขอเตริศพรญาติยยโยมสาธุชนทุกท่านคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะยากดีมีจนยิ่งใหญ่หรือว่าต่ำต้อยเพียงใดเรามีคุณธรรมที่พึงปฏิบัติที่ทำให้ช่วยนั้นมีคุณค่าคุณธรรมที่ว่าก็มีหลายประการแต่มีอย่างหนึ่งที่สำคัญนะนั่นก็คือการรู้จักรักตัวเอง คนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยรักตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าเอาข้างจริงนะก็ไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่ถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเวลาเราอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองเราน่าจะมีความสุข เวลารักอะไรก็ตามหรือเรารักใครเนี่ยถ้าเราอยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับคนนั้นเราจะมีความสุขใช่หรือเปล่าบางคนรักลูกบางคนรักพ่อแม่อยู่ใกล้ลูกอยู่กับพ่อแม่ก็มีความสุขบางคนรักพักเครื่องอยู่กับพักเครื่องในทั้งวันนะมีความสุขใครจะชวนไปเที่ยวไหนก็ไม่ไปนะขออยู่กับพักเครื่อง แต่ทำไมเนเวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยคนเปน็นนันมาเนี่ยรู้สึกกระสับกระส่ายบางครั้งก็รู้สึกว้าเวเหงาแล้วก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อห น, นีจากตัวเองเช่นไปช็อปปิ้งหรือว่าก็ไป หาคนนั่นคนนี้ไปครุกคลีตีโมงหรือทำอะไรก็ได้ที่จะได้ไม่ต้องอยู่กับตัวเองถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็ยิงกระสับกระส่ายเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เนี่ยมันเป็นวิธี ขนทางในการหนีตัวเองที่ผู้คนนิยมมากถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือเมื่อไหร่ก็จะงุน ง, งิดงุ่นะง่านทั้งที่นั่นเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่การที่ทุกค น, นยพยายามหนีตัวเองเมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไม่ได้รักตัวเอง ไม่ได้เป็นมิกักตัวเองทนอยู่กับตัวเองไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยนะเรายังมักสร้างความทุกข์หรือนำความทุกข์มาให้กับตัวเองอยู่ บ, บ่อยๆแม้จะไม่ได้กินเหล้าไม่สูบบุหรีหรือว่าเอาสิ่งที่ที่เป็นพิษมาใส่ร่างกายของตัวเอง แต่บางครั้งหรือบ่อยครั้งก็นำเอาความทุกมาให้กับจิตใจของตนซ้ำเติมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเวลาของหายเนี่ยแทนที่จะเสียแต่ของก็ปล่อยให้ใจเนี่ยทุกจนบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับแทนที่เสียอย่างเดียวก็เสียสอง เวลารถติดแทนที่จะเสียเวลานะก็ปล่อยให้เสียสติเสียอารมณนะ์ซ้าเติมตัวเองเวลาทำงานแทนที่จะเหนือ่อยแต่กายก็เหนือ่อยใจเพราะคอยไปเพ่งโทษไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบอกเขาทำงานเบากว่าเราเราทางานหนักกว่าเขาเราซ้ำเติมตัวเองอยู่เป็นประจา เวลาโกรธแทนที่เราจะปล่อยหรือหาทางทําให้ความโกรธมันทุเลาเบาบางเพราะความโกรธมันเหมือนกับไฟที่เผาลนใจเรากลับหวงแผนความโกรธต้องถุนหนอมความโกรธเอาไว้อะไรที่จะทําให้ความโกรธเบาบางเราไม่ทําเช่นการให้อภัยการแผ่เมตตาบางคนกลัวว่าจะลืมโกรธจะหายโกรธก็ต้อง พยายามย้ำเตือนให้โกรธอยู่ได้เรื่อยโกรธบ่อยในชีวิตเราที่ผ่านมามีความสุขมากมายแต่หลายคนเลือกที่จะมองจดจ้องแต่ความทุกข์ขุดคุยความทุกข์เหตการณ์ร้ายร้ายเพื่อมาทำให้ตัวเองสุกย่ำแย่เศร้าโกรธน้อยใจ อากับกริยาแบบนี้เนี่ยมันแสดงว่าเรารักตัวเองหรือเปล่าถ้ารักตัวเองจริงนะก็ต้องพยายามที่ทําให้ความทุกเนี่ยมันเบาทบมันเทาเบาบางให้น้อยที่สุดเมื่อมีความทุกข์กายก็ไม่ปล่อยให้มันลามกลายเป็นความทุกข์ใจ เวลาป่วยนะก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยนะเสียทรัพย์ก็เสียแค่นั้นนะใจไม่เสียกินได้นอนหลับนะไม่ตี อ, อกชอกหัวอันนี้ตังหากนะจึงเรียกว่ารักตัวเองแท้จริงอะไรทำให้คนเราเนี่ยไม่สามารถจะรักตัวเองได้อย่างแท้จริง อะไรทําให้คนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นมีตรกับตัวเองทนอยู่กับตัวเองได้หรืออยู่กับตัวยังมีความสุขอะไรทําให้เราเนี่ยคอยซ้ําเติมตัวเองอยู่เป็นนิดคนอื่นทําร้ายเราไม่พอยังปล่อยให้ ความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันมาซ้ำเติมย่อหยีบีทาจิตใจของเราด้วยอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นนะก็ต้องตอบว่าเป็นเพราะความหลงความไม่รู้ตัวเราไม่มีสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองรักษาใจให้มีความสุข เราไม่มีสิ่งที่จะช่วยปกป้องไม่ให้ความทุกขนานาชนิดเนี่ยเข้ามาเล่น ง, งานจิตใจทําได้อย่างมากหรือสนใจก็เพียงแค่การปกป้องไม่ให้มีสิ่งต่างๆมาทำความทุกข์กับร่างกายแต่ติดใจความทุกข์มันจะมากแค่ไหนอันตรายมีเพียงใดเราก็ไม่สนใจที่จะรักษา เรามักโทษว่าคนอื่นทำให้เราทุกข์แต่ที่จริงเนี่ยเราทุกข์ใจเพราะความคิดในความคิดที่มันเอาแต่คิดฟุ้งปรุงแต่งตรงนี้แหละนะที่ทำให้ใจเป็นทุกข์เราทุกข์เพราะความคิดความคิดที่หลงหลงคิดนะ สมัยนี้เราคิดเก่งเราถูกสอนให้คิดไวๆแก้โจทย์ได้เร็วๆแต่เรากลับไม่รู้จักวิธีการวางความคิดหรือว่าหยุดความคิดอันความคิดแทนที่มันจะเป็นเป็นบ่าวรับใช้เราในการแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นนายเรา แล้วก็สร้างปัญหาต่างๆให้แก่เราจนกินไม่ได้นาะไม่หลับจนเครียดสะสมถึงขั้นป่วยหรือบางทีก็ซึมเศร้าจนไม่รู้ว่าจะหาทางออกจากชีวิตได้อย่างไรนอกจากการเข้าตัวตายถ้าเรารับตัวเองอย่างแท้จริงนะ เราจะไม่ปล่อยให้ความคิดมันมาเป็นนายเราเราจะไม่ปล่อยให้ใจมันคิดแต่เรื่องรบเรื่องร้ายเราจะไม่หวงแหนความเศร้าความโศกความโกรธปล่อยให้มันเผาลนใจหรือว่าบีบคั้นใจหรือว่ากรีดแทงใจ ถ้ารักตัวเองอย่างแท้จริงเราจะไม่แบกอะไรต่ออะไรมากมายทาั้งทั้งที่มันทําให้ทุกข์ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเราจะวางมันให้เร็วที่สุดนะไม่แบกนะไม่ยึดเอาไว้จะทําอย่างนั้นได้อย่างไร สิ่งที่สำคัญนะ็คือการมีสติ ก, การมีความรู้สึกตัวเมื่อใดก็ตามที่เราเผลอคิดฟุ้งปรุงแต่งไปในเรื่องลบเรื่องร้ายในอดีตไปขุดคุยเหตุการณ์ต่างๆที่เคยผ่านไปแล้วมาบีบขั้นใจสติทำให้เรารู้ทัน ไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยมันจมหลงหรือพลัดเข้าไปในความคิดเหล่านั้นแต่จะวางความคิดเหล่านั้นหรือว่าดึงจิตให้หลุดออกจากความคิดเหล่านั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละก็ตามที่อารมณ์มันเข้ามาเผาลนใจบีบขั้นใจ หรือว่าทิมแทงใจเนี่ยจะมีสติสติช่วยทำให้รู้ทันแล้วก็ถอนจิตออกจากอารมณ์นั้นนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่แล้วคนเราทุกข์เพราะปล่อยให้ใจไหลไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างจมอยู่ในอารมณ์สติช่วยทำให้ ใจเนี่ยนะมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันทำให้เกิดความรู้ตัวไม่พัดหลงเข้าไปในโลกแห่งความคิดบางทีเราจมจิตเนมันจมถลไหลหลงไปในโรกแห่งความคิดจนออกมาไม่ได้เป็นอย่างนี้กันเยอะจนบางทีก็ กลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นโรคโรคจิตโรคประสาทที่กลตลิตสติและความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันช่วยทำให้เรารักตัวเองได้อย่างแท้จริงช่วยทำให้เราอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขไม่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านมาเล่นงานจิตใจในยามที่อยู่คนเดียว สตินี่มันเหมือนตาในที่ช่วยปกป้องจิตใจให้พ้นจากอันตรายอันตรายมีสองชนิดนะผู้จาตตรัดไว้อันตรายที่เปิดเผยเช่นสัตว์ ร, ร้ายงูพิษภัยธรรมชาติอาจจะรวมถึงผู้ปองร้ายอันตรายที่ปกปิดก็หมายถึงอารมณ์ความคิดที่เป็นอกุศล ที่มันสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเรามีตามีหูนะมีกายรวมทั้งสัมผัสอย่างอื่นเช่นสัมผัสที่ลิ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอกอาหารเป็นพิษเราก็รับรู้ได้เมื่อลิ้นสัมผัส กับพิษที่มันปนมาในอาหารเป็นต้นแต่ว่าอันตรายที่ปกปิดเนี่ยเรามีอะไรที่จะเตือนได้ที่จริงมีอยู่แล้วนะก็คือสติสติเหมือนตาในที่ทำให้เราเห็นอันตรายเหล่านั้นแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปยึด ถ้าคนเราทุกเนี่ยนะอย่างที่ธรรมาบอกนะคือทุกเพราะความคิดแต่ถ้าพูดถูกต้องกว่านั้นคือทุกเพราะหลงคิดนะหรือคิดโดยไม่รู้ทันไม่รู้ตัวที่จริงมันรวมไปถึงปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบด้วยหลายคนหงุดหงิดเมื่อได้ยินเสียงดัง แล้วก็เลยคิดว่าเป็นเพราะเสียงดังจึงหงุดหงิดจึงเป็นทุกข์แต่จริงไม่ใช่นะเราเป็นทุกข์เพราะใจเนี่ยมันไปผักใสต่อต้านหรือต่อสู้กับเสียงที่มากระทบต่างหากที่จริงมันเป็นทุกข์ตั้งแต่จิตที่ไปจดจ่อยที่เสียงนั้นแล้ว เวลามีเสียงโทรศัพท์ดังในห้องประชุมเนี่ยบางทีเสียงริงโทนก็ไพเราะนะแต่หลายคนจะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ไปโทษเสียงโทรศัพท์หรือเจ้าของโทรศัพท์แต่ที่จริงเนี่ยลองสังเกตดูใจนะเป็นเพราะใจไปจดจ่อที่เสียงนั้นถ้าใจไม่จดจ่อที่เสียงนั้นเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกไม่หงุดหงิดหรอก จดจอไม่พอมาไปต่อสู้ด้วยผับใสมันจึงเป็นทุกข์เมื่อสี่สิปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อชาสุปัทโทท่านได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นหลวงพ่อสุเมโทก็ร่วมคณะไปด้วยแล้วก็หลวงพ่อเขมปัญโยเป็นพระฝรั่งทั้งคู่เจ้ภาพก็จัดให้ท่าน ทั้งคณะพักที่วิหารกลางกรุงลอนดอนชื่อวิหารแฮมสเตดตรงค้าวิหารเนี่ยมันมีผับมีบาร์ข้ามคืนก็ส่งเสียงดังร้องเพลงเล่นดนตรีเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หลงวงพ่อชาท่านพาพระนั่งสมาธิสี่สิบนาทีนะ คืนวันหนึ่งเนี่ยค่ะทิพะและโยมนั่งสมาธิเสียงดนตรีก็ดังเข้ามาถึงในวิหารพระหลายรูปโยมหลายคนนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยแต่หลงวงพ่าชาท่านนั่งนิ่งเหนะมือนกัไม่ได้ยินเสียงอะไรพอสมาธนะิครบสิ่สัทีเจ้าภาพก็มามากราบขอโทษหลวงพ่อ ขอโทษที่เสียงดนตรีมารบกวนการนั่งสมาธิหลวงพ่อชาติท่านก็ บ, บอกว่าเนี่ยโยมไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงดนตรีท่านหมายความว่าที่ใจเราทุกเนี่ยนะเพราะใจเราไปทะเลาะกับเสียงนั้นไอ้เสียงมันก็เป็นสักว่าเสียงถ้าใจเราวางเป็นวางเป็นกลางๆงมันไม่ทุกข์อะ แต่เพียงเพราะใจไปจดจอแล้วก็ไปทะเลาะไปรู้สึกรบกับเสียงนั้นอาจจะนึกในใจว่าหยุดสักทีวุ้ยดังเหลือเกินเมื่อไหร่จะหยุดสักทีเมื่อไหร่จะหยุดสักทีร้องเพลงไปเป็นศพรถเล่นดนตรีก็ผิดขี้อะไรเงี้ยนะเนี่นยทุกเลยนะตรงเนี้ความรู้สึกรบการไปทะเลาะการไปผักใส่เสียงนั้นแนหะที่ทําให้ทุก มันไม่ใช่เพราะเสียงดังแต่เพราะใจที่วางไว้ผิดเริ่มตั้งแต่ไปตรวจจอนะไม่ชอบก็ยิงตรจจอและตดจจอก็ผักใสนั้นถ้าเพียงแต่ใจเนี่ยนะเป็นกลางกับเสียงนั้นเนี่ยไม่ทุกข์หรอกแต่คนส่วนใหญ่นี่ไม่รู้ตัวว่าเป็นเพราะใจต่างหากจึงเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะเสียง ความทุกข์ใจของเราส่วนใหญ่เนี่ยนะมันเป็นเพราะเหตุนี้ใจที่วางผิดทําไม่ถูกหรือว่าผู้อย่ังคือไม่รู้จักทำใจไม่รู้จักทำที่ใจดยเพราะการมีสติต้องมีสติรู้ทันนะให้ใจมันกาลังทะเลาะ ก, กับเสียงกันนะใจมันกำลังไปจดจ่อที่เสียงนั้นนะพอรู้เนี่ย ใจมันจะกลับมา ป, ปกติความขุ่นมัวความหงุดหงิดมันก็จะเพ่าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะให้ตัวเองมีความทุกข์ใจหรือไม่อยากจะซ้ำเติมตัวเองเนี่ยสติเป็นสิ่งสำคัญมากสติเป็นตาในที่ทำให้รู้ว่าใจเนี่ยกำลังไปยึดไปแบกบอารมณ์ที่เป็นอ ก, กุศล หรือไปขุดคุยเหตุการณ์ในอดีตที่มีแต่ทําให้หุดหงิดพอรู้เท่านั้นเลยนะใจมิถกเป็นปกติไอ้ที่เคยแบบ ก, ก็จะวางไอ้ที่เคยยึดก็จะปล่อยไอ้ที่เคยรู้สึกเป็นลบแล้วก็จะวางเป็นกลางหรือรู้สึกเป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราอยากจะรักตัวเองแท้จริงนะ จำเป็นมากนะที่จะต้องฝึกฝนให้ใจเรามีสติมากๆนอกนอจากคุณธรรมอย่างอื่นนะเช่นขันติสมาธิวันนี้เนี่ ย, ยก็ก็จะลองชวนพวกเราทำวิธีการเจริญสติเนี่ยนะมันก็คือวิธีการ นะที่ทำให้จิตเนี่ยอยู่กับปัจจุบันโดนะเฉพาะจิตเนี่ยชอบวอกแวกหลายแปรดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างเนี่ยมันจริงไปขุดคุยเอาความทุกข์มาสะสมมาบีบคั้นตัวเองการเจริญสติเนี่ยตามผู้จานอีกได้ก็วางหลักเอาไว้ เป็นขั้นตอนเป็นวิธีการเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เริ่มต้นด้วยการรู้กายนะรวมไปถึงการพิจารณากายท่านใช้คาว่าเห็นกายในกายรู้กายแล้วก็รู้เวทนาแล้วก็รู้ใจสุดท้ายคือรู้ธรรม ทำในที่นี้เนี่ยนะที่จริงก็หมายถึงทุกอย่างนะแต่ที่สำคัญก็คือนิวร้าขัน 5, นะธาเนยอตนาสิบสองทั้งภายนอกภายในอริสัตถ์สี่คือเห็นธรรมชาติความจริงของนิวรของขันธาซึ่ง ถ้าไม่เห็นตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์หรื อ, อบรรลุ ธ, ธรรมได้อย่างท่านัญญากรัญญาแล้วก็ปัญจวัคคีย์ทั้งหลายท่านท่านเห็นธรรมพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านท่านเห็นธรรมาารท่า น, ท น, ท น, น, รรทนรู้ธรรมแต่ว่าพวกเราเนี่ยนะก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นเนี่ยก็ฝึกให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตหรือเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตก่อน หรือย่อให้เหลือสองคือรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจหลวงพ่าเทียเนี่ยท่านเป็นทูตี่ให้ความสําคัญกับเรื่องการฝึกสติมากและท่านก็ให้หลักไว้นะว่าให้เห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกหมายความว่าเวลากายเคลื่อนไหวก็ให้รู้หรือเห็น เวลาจาคิดนึกก็รู้นะอันนี้เป็นหลักสองประการเวลาทำอะไรเนี่ยเรามักจะใช้กายเนี่ยทำเช่นเดินยืนนะนั่งนอนล้างหน้าถูฟันกินข้าวพวกเนี้ย มันจะมีกายนะเป็นผู้กระทาการจดนติตคือเริ่มต้นด้วยการที่ไม่ว่ากายทำไรใจก็รับรู้คือใจเนี่ยไม่ใช่ลอยไปไหนนะไม่ได้คิดไม่ได้คิดเรื่องอะไรเช่นขณะที่ล้างหน้าแปรงฟันก็ไม่ได้คิดเรื่อง งานที่จะทำในตอนเช้าหรือไม่ได้คิดถึงอาหารที่จะทำให้ลูกกินใจไม่อยู่ตรงนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นมันก็จะรู้เมื่อกายทำอะไรใจก็รู้หรือหลวงพ่อเทียนใช้คาว่ารู้สึกคนเราเนี่ยมากกายทำอะไรเนี่ยนะ ถ้าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็จะรู้สึกไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะขยับมือหรือน้ำลายหรือกระพริบตาใจมันจะรับรู้หรือรู้สึกแต่ว่า ถ้าใจเราไม่มีสติก็คือใจมันลอยและสติก็ไม่ไวพอที่จะดึงจิต ก, กลับมากายทำอะไรใจก็ไม่รับรู้ไม่รู้สึกสิ่งที่เราจะฝอกคือเมื่อใจมันลอยเราก็ให้สติเนี่ยเรียกกลับมากลับมาอยู่กับกาย ให้ใจเนี่ยมันอยู่กับกายเรียกง่ายๆตามภาษาชาวบาว่าให้ใจเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันจะเกิดความรู้สึกตัวแต่มันจะรู้สึกตัวประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวใจก็ไปละเพราะมันชอบเที่ยวมีสติเมื่อไหร่นะสติมันจะดึงจิต ก, กลับมา กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเะนนการเจริญสตินั้นก็คือการทำแบบฝึกหัดแบบนี้แหละก็คือว่าให้ใจเนี่ยมันอยู่กับกายแล้วพอมันหลุดออกไปจากกายมันไปคิดโน้นคิดนีดน่เรียกว่าส่งจิตออกนอกหรือไหลไปอดีตลอยไปอนาคตสักพักสติก็จะรู้ หรือพูดอย่างนี้คือสักพักเราก็จะรู้ตัวว่าเผลอคิดไปแล้วจิตก็จะกลับมาหมใหม่ๆนี่นมันคิดไปยาวเลยนะกว่าจะกลับมาแต่ตอลังมันจะกลับเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะสติไวขึ้นแล้วความสึกตัวก็จะค่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องความสึกตัวพวกเรามันมีอยู่แล้วนะแต่มันไม่ค่อยต่อเนื่อง มันลุกไม่กี่ขณะแล้วก็ไปจะเราจะฝึกให้สติเราไวาในการเรียยจิตกลับมาการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านจะไม่ใช่จะไม่เน้นเรื่องการบังคับจิตไม่ให้คิดให้อิสระกับจิตจะอยู่กับกายหรือจะออกไปเที่ยวก็ได้ แต่ว่าถ้ามันออกไปเที่ยวเมื่อไหร่นะให้มีสติรู้แล้วก็พามันกลับมาทำนี้บ่อยๆทำนี้บ่อยๆทำนี้บ่อยๆสติจะไวขึ้นไอใ้ใหม่ๆเนี่ยนะหลายคนจะรู้สึกว่ามันทำเราฟุ้งอะแต่ความฟุ้งไม่ใช่ปัญหานะ ปัญหาคือการไม่ชอบความฟุ้งเมือนาที่หลวงพ่อชาตนบอกเสียงไม่ใช่ปัญหาไอ้ปัญหาคือใจที่ไปทะเลาะกับเสียงมันจะฟุ้งก็ช่างมันแต่หน้าที่เราคือรู้ทันให้ไวแล้วก็กลับมาที่จริงความฟุ้งก็เป็นของดีนะ ถ้าไม่ฟุ้งเนี่ยมันจะรู้ทันได้ยังไงมันต้องเผลอก่อนถึงจะรู้ตัวเราจะฝึกให้รู้ตัวบ่อยๆรู้ตัวบ่อยๆอย่าไปกลัวความฟุง้งเหมือนกับเวลาเราฝึกขี่จักรยานอย่าไปกลัวล้มเวลาเราเริ่มหัดว่ายน้ําอย่ากลัวสําลักน้ํา เวลาที่เราเริ่มหัดพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอย่า ก, กลัวพูดผิดขี่จักรยานอย่า ก, กลัวล้มขี่ไปเลยล้มแล้วก็ลุกแล้วก็ขี่ใหม่ว่ายน้ําสําลักน้ําไม่เป็นไรไว่ายใหม่พูดภาษาอังกฤษพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรพูดใหม่พูดไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นทำงานเดียวกันอย่าไปกลัวฟุง้งนะ หลายคนกลัวฟุง้งก็เลยพยายามบังคับจิตพยายามกดข่มความคิดพยายามบังคับจิตให้เพ่งอยู่ที่เท้าบ้างที่ลมที่จมูกบ้างแล้วพอทำไปน า, นานก็จะบอกว่าเครียดปวดหัวแน่นแน่แนหน้าอกบางคนทำไปนานจนกระทั่งถอนไม่ออก เวลาเริ่มปฏิบัติจะเครือทันทีเลยบางทีจิตมันเพี้ยนเกิดความกลัวมีคนนึงเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยปฏิบัติพยายามบังคับจิตมากๆนี่มันกลัวนะกลัวจนกทั่งมือสัน่นไม่กล้าผ่าตัดต้องเลิกเลยนะเลิกผ่าเลยนะเพราะว่ามันผ่าไม่ได้มันกลัวเพราะไปบังคับจิตมากจนกระทั่งจิตมันเพี้ยนจิตมันพยศ แบบนี้ธรรมะแนะนำเราให้หยุดปฏิบัติไปก่อนเพราะที่ปฏิบัติมันผิดต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่จะเริ่มต้นได้ต้องต้องกลับมาที่ศูนย์อันนี้เพราะว่าวางใจไม่ถูกไปบังคับจิตเด็กไทยเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ทั้งที่เรียนมาห้าปีสิบปีเพราะกลัวผิดแล้วก็เลยไม่กล้าพูด ฝรั่งนี่งงมากเด็กไทยเรียนภาษาอังกฤ ษ, กษมันมันหลายปีพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเราะว่าเนี่ยเป็นพ่อไม่กล้า พ, พ, พูดพูด mm ar, ก, ก, กลัวและผิดกรมมิกวิทยากรบางกลัวผิดศัพท์นอกจาปฏิบัติหลายคนเนี่ยเลิกปฏิบัติเพราะว่ามันฟุ้งมากเคยถามบางหลายคนเลยว่าปฏิบัติเป็นไงบอกว่าเลิกปฏิบัติแล้วเอาทำไมอะ แค่ห้านาทีเนี่ยมันก็ลองปฏิบัติ ด, ดูก็บอกเนี่ยมันฟุ้งําว่าฟุง้งก็เลยเลิกเลยอันนี้พลาดเลยนะเม้นปฏิบัตินี่จะไปกลัวฟุง้งนะแล้วก็ควรจะมองมันเป็นของดีเหมือนกับคุณขี่จักรยานเนี่ยการที่คุณล้มบ่อยๆเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าทํำยังไงเนี่ยจึงจะไม่ล้มเหมือนกับเด็กเลขารก ที่หัดเดินเด็กทะเลหัดเดินเป็นหัดเดินแล้วเดินเป็นเพราะอะไรทั้งที่ล้มอยู่แล้วล้มอยู่นั่นแหละเพราะเด็กไม่กลัวเด็กไม่กลัวล้มแต่ที่จริงเพราะล้ ม, มบ่อยๆทาให้เด็กเนี่ยรู้จักวิธีทรงตัวเรียวกว น, ร, นรู้จากความผิดพลาดมันต้องผิดก่อนถึงจะถูกาการปฏิบัติก็เหมือนกันนะอย่าไปกลัวฟุ้ง แต่ที่จริงเป็นเพราะหลงเนี่ยนะเราจรึงรู้ทันเราฝึกให้รู้ทันบ่อยๆและจะรู้ทันได้ก็เพราะต้องหลงก่อนาการปฏิบัติแบบหัวเทียนเนี่ยนะจะไม่มีการไปบังคับจิตจะไม่มีการใช้คำบริกรรมเนี่ยไปไปผูกจิตเอาไว้ไม่มีการเพ่ง บริกรรมหมายถึงว่าการนับหนึ่งนับสองหรือว่ามีคมบริกรรมพุทธโธอันนั้นก็เป็นประโยชน์นะในการที่ทำให้จิตมีสมาธิแต่ว่าถ้าเราต้องการฝึกสติให้มันรู้ทันไวๆต้องยอมให้มันเผลอเหมือนกับถ้าเราจะขี่จักรยานไปเราต้องยอมล้ม แล้วเราจะเรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งเช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักเรียนรู้จากจากการหลงจากการฟุง้งสติเราจะไวขึ้นนะนการปฏิบัติแบบงวัเทียเนี่ยจะเมื่อเนื่องจากในเรื่องสติในเรื่องความรู้สึกตัวนะก็จะเป็นการปฏิบัติแบบสบายๆนะไม่บังคับจิต ท่านบอกด้วยซ้ำนะบอกกับตมมาตอนที่ปฏิบัติกับท่านใหม่ๆที่จริงวันแรกเลยท่านบอกทำเล่นๆทาเล่นๆแต่ทำจริงๆนะเล่นๆหมายความว่าจะไปอไปจะไ ป, ะ ไ, ปะไปบังคับจิตนะมันจะฟุ้งบางกั่ช่างมันแต่ทำให้หยุดเคยาถามทว่า ทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเราคิดว่าการปฏิบัติทำการภาวนาะก็เหมือนกับทำงานเวลาราชการนะ9โมงเชา้า4โมงเย็นถ้าบอกทำทั้งวันเนี่ยตื่นนอนจนเข้านอนเลยโอ้ฟังแล้วตกใจนะแต่ที่ถ้ า, ถ, าถ้าทำเล่นๆ น, นะมันทำได้ทั้งวันตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนล้างหน้าแปรงฟันก็ให้มีสติรู้ตัวตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น ใหม่ๆก็ให้รู้กายก่อนก็คือกายเคลื่อนไหวเนี่ยก็รู้สึกที่ส่านใช้ว่าเห็นเห็นกายเคลื่อนไหวเนี่ยนะคือเห็นด้วยใจเห็นด้วยสติคนเราถ้ามีสติมีความสุกตัวนะมันเห็นมันรู้นะเรื่องกายเนี่ย อย่างโยมเนี่ยนะลองหลับตาดูนะเวลายกมือนี่รู้สึกไหมรู้สึกใช่ไหมหลับตาเนี่ยลองเอามือไปชี้ไปที่หรือจิ้มไปที่ปลายจมูกซิจิ้มที่จะถูกหรืเปล่าถูกใช่ไหมเราปิดตาทำไมจิ้มได้ถูกเพราะมันมีตาใน ปิดตาแล้วมือจิ้มที่ที่ที่หน้าผากนะก็ยังจิ้มถูกนะมือจิ้มที่คิ้วปิดตาก็ยังจิ้มถูกถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะมันมีตาในนะคือสตินะซึ่งคู่กับความรู้สึกตัว แต่ว่าการปฏิบัติลงพ่เทียนถ้าไม่ปิดตานะเปิดตาไม่ใช่เปิดตาเฉพาะเวลาเดินนะอันนั้นต้องเปิดอยู่แล้วแต่เวลานั่งและปฏิบัติก็เปิดเหมือนกันนะเพื่อไม่ให้ติดสงบเพราะพอจะพอหลับตาเลยมันจะมันจะติดสงบมากเลยแล้วพอติดสงบแล้วก็จะเป็นเครื่องน่วงเหนี่ยวเดินช้าอันดี้เราจะลองอเดิน จงกลมกันนะข้างบนก็คงต้องเดินเป็นแถวแล้วมั้งนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาจะสาธิตการเดินนะมีไม้ปะเนี่ยไม้ระหว่างที่เดินไม่มีใช่ไหม ย, ย, ยืนขึ้นเลยนะเดินแล้วก็ก่อนอื่นนะตรรมมาเดินสาธิตให้ดูก่อนนะตอนนี้โยมยังไม่เดินแต่ยืนก็พอแล้วจะได้หายง่วงนะ <c oughs> เวลาเดินเนี่ยนะต้องเก็บแขนหรือเก็บมือไว้นะกลมมือหรือว่าอกอดอกหรือว่า เวลาเดินเนี่ยทอดสายตาไปที่พื้นประมาณสักเมตรครึ่งอย่ามองไปเยียวยาแบบนี้แล้วก็อย่า ก, กม้มนะมันจะเมื่อยคอถ้ากม้มแล้วก็จะเพ่งได้ง่ายทําไปนี่มันก็จะเครียดถ้ามองไปไร้อยแบบนี้เนี่ยมันจะฟุ้งได้ง่ายนะเราไม่ได้กลัวความฟุงนะ้งแต่ว่าเราก็ไม่ได้ส่งเสริมใจให้มันฟุ้ง เราก็พยายามสร้างเหตุปัจจัยเพื่อทำให้มันไม่ฟุ้งมากมันฟุ้งพอประมาณพอที่เราจะเอามาใช้ฝึกสตินะเวลาเดินเนี่ยก็ปกติถ้าเราเดินคนเดียวก็สาเมตรนะสามเมตรอนะยา่ายาวเวลาเดินเนี่ยนะอย่างที่บอกคือไม่มีบริกรรมถามว่าเอาใจไปไว้ไที่ไหนเอาใจอยู่กับเนื้อกะตัวให้ใจมาอยู่กับเนื้อกะตัว ไม่ได้ไปเพลงที่เท้าไม่ได้ไปเพลงที่สวนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่มีบริกรรมความรู้สึกของหลายคนเนี่ยมัน ค, คล้ายๆกับเ ว, เวลาเดินข้ามท้องร่องตามสวนเลือกสวนได้เวล า, นานเนี่ยปกติมันต้องมีมันต้องมีไม้ให้จับต้องมีราวให้จับนะเพราะว่าท้องร่องเนี่ยไม้เนี่ยนะ บางทีเป็นแค่ไม้ไผ่แผ่นเดียวหรือว่าต้นมะพร้าวต้นเดียวถ้าเรามีราวจับเราก็จะเดินได้สบายแต่พอไม่มีราวจับหลายคนไม่กล้าเดินแล้วเพราะเดินแล้วกลัวตกท้องร่องนะหรือเดินไปสักพักนะมันจะสึกเควนควางปฏิบัติแบบบทวพ่อเทียนทำนองนั่นแหละนะคือมันไม่มีราวให้จับมันไม่มีการเพง่งไม่มีการบริกรรม แต่ว่าอย่าไปกลัวนะเดินไปเลยมันจะตกท้องร่องก็ช่างมันนะเพราะว่าเดินบ่อยๆจะเดินได้คล่องนะชาวสวนนี่อย่าว่าแต่คนบางคนนี่อย่าว่าแต่ไม่ไผ่เลยนะเชือกขนาดนี้ก็ยังเดินได้เลยนะเพราะเขาเลี้ยงตัวดีนะเ้าก็สามารถเดินบนลวด เหมือนกันนะถึงแม้เราไม่มีความบริกรรมไม่มีการไปเพ่งแต่เราก็สามารถจะเดินได้อย่างมีสติหรือว่าเดินด้วยใจสงบได้เพราะว่ารู้จักทรงจิตทรงใจนะแต่บางไม่ไม่เป็น ง, งันหรอกแต่หมายนะมันก็จะฟุ้งโน่นไปคิดโน้นคิดนีดนดน่ช่างมันไปเลยขอให้รู้ทันนะเราไม่ได้เราไม่ได้วัดกันว่าฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อยเราวัดความก้าวหน้าตรงที่ว่า รู้ทันไวหรือว่ารู้ช้านะฟุ้งน้อยนะแต่กว่าจะรู้ทันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยฟุ้งไปเรื่องเดียวนะแต่กว่าจะรู้ทันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอย่างนี้ไม่ข้อท่านะแต่ถ้าฟุ้งสิบครั้งเนี่ยนะแต่ว่ารู้ทันหลังจากที่ฟุ้งไปได้แค่ไม่กี่วินาทีไอ้แบบนี้ดีกว่านะฟุ้งหนึ่งครั้งนะแต่กว่าจะรู้ทันปลาเข้าไปชั่วโมงนึงอันนี้นะไม่ใช่เป็นความก้าวหน้าเลย ฟุ้งหลายครั้งแต่แต่ละครั้งเนี่ยรู้ทันเมื่อคิดไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีหรือไม่ทันจบเรื่องนะอย่างเงี้ยมันแสดงว่าสติเราก้าวหน้าเอาล ะ, ะเดี๋ยวตมาก็เดินให้ดูนะเดินเสร็จแล้วก็เลี้ยวนะเลี้ยวนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายต่อไปก็เลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวขวาต่อไปก็เลี้ยวซ้ายนะ อันนี้จะช่วยทำให้ไม่ไม่ไม่ไม่เวียนหัวนะอย่างที่บอกนะเดินด้วยความรู้สึกตัวกือใจมันอยู่กันเนือกับตัวมันจะฟุ้งก็ช่างมันแต่ให้รู้ทันรู้ทันเมื่อไหร่กลับมาไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปห้ามความคิดไม่ต้องไปหยุดความคิดแค่ทิ้งมันไปเฉยๆนะบางคนไปพยายามห้ามความคิดไปกดทิ้งมันไปเลยไม่ต้องสนใจ เมื่อเราทำลายความคิดนั้นแค่กลับมาอยู่กับการเดินแล้วไม่ต้องไปถามนลยนะว่าเมื่อกี้คิดอะไรเพราะบางคนเนี่ยคิดไปเป็นเรื่องเป็นราณนะพอรู้ตัวนะเฮ้ยเมื่อกี้คิดอะไรนะมันเหลือเกินแต่ไม่รู้คิดอะไรพยายามย้อนกลับไปว่าเมื่อกี้คิดอะไรนะมันมันมากเลยไอการที่ไม่รู้คิดอะไรนี่แสดงว่าหลงนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองอย่าไปสนใจเพราะมันคิดอะไรทิ้งไปเลย การปฏิบัติหลวงพ่อเทเนี่ยก็ทิ้งอย่างเดียวทิ้งอย่างเดียวเลยหรือว่าผ่านตลอดมันก็นั่งรถทัวร์นั่งรถทัวร์เนี่ยผ่านตลอดไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะที่ไหนถ้านั่งรถส่วนตัวนะแวะตลอดนะแต่ว่านั่งรถทัวร์เนี่ยผ่านอย่างเดียวเลยนะผ่านผ่านผ่านอ่ะก็ลองเดินกันดูนะเราจะเดินประมาณสักครึ่งชั่วโมงโยมก็อ่านัดแนวกันเองนะว่าจะเดินกันยังไงอ่ะ หันไปทางหันไปทางนี้ก็แล้วกันนะทุกคนหันไปทางนี้แล้วก็เดินจนสุดทางตัวแล้วก็กลับมาเอาเชิญได้ระหว่างที่เดินนะก็ให้แค่รู้สึกพอรู้สึกถามว่ารู้สึกที่ไหนรู้สึกทั้งตัวไม่ใช่แค่รู้สึกเฉพาะเท้าที่แตะพื้นแต่รู้สึกว่าขาขยับแล้วก็รู้สึก ว่าตัวขยยยืนมันไม่ใช่เป็นการรู้เฉพาะจุดนะถ้าเรารับรู้แต่ว่าเท้าเนี่ยมันแตะพื้นเนี่ยแสดงว่าเราไปเพ่งที่เท้าแล้วนะเราไม่ได้เพ่งที่เท้านะเพราะเรากำลังฝึกความรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเราไปเอาจิตไปเพ่งที่เท้าเนี่ยมันจะรู้เฉพาะจุด มันจะไม่ใช่รู้ตัวท่วพร้อมรู้ตัวท่วพร้อมเนี่ยมันหมายความว่าเนะท้าแตะพื้นก็รู้ขาขยับก็รู้ตัวขยื่อนก็รู้บางครั้งกระทิบตาก็อาจจะรู้นะแต่หม่ๆก็ไม่รู้ละเอียดขนาดนั้นแล้วไม่ต้องไปจ้องไปเพ่งนะให้มันรู้เอง นะความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เรามีโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องบังคับเพียงแต่ว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมันไม่ค่อยต่อเนื่องเราก็เลยไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันหรือว่าจำสภาวะนั้นไม่ได้ แต่ให้ระลึกว่ามันอยู่กับเรามันเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วนะในแต่ละวันนะอย่าไปพยายามคลาหามันนะถ้าคลาหามันจะกลายเป็นเพ่งไปแค่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ลอยไปไหนใจไม่คิดอะไร ก็มีโอกาสที่จะรู้สึกตัวหรือเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะแต่ความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นน่าต้องมีสติเพราะว่าสติมันทำให้ใจที่หลงใจที่ลอยนะมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดังนั้นจึงเกิดความรู้สึกตัวขึ้นนะสติมันช่วยทำให้เกิดความรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้น นะั่นไม่ต้องไปคลำหานะว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงมันเกิดขึ้นเองนะเมื่อใจเรายอยู่กับเนื้อกับตัวใจเราไม่ ล, ล่องลอยไมไ่ไปเที่ยวนะที่ไหนก็นะายามก็ลองทาเล่นๆไปนะอย่าไปทำจริงจังอะไรมากนะอย่าทำด้วยความอยากนะทาเล่นๆไปรู้บ้างหลงบ้างไม่เป็นไร ท่องคาถานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านนึกไม่ออกว่าจิลิศสติมันทำยังไงก็ให้ลองนึกว่าเนะี่ยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ที่นี่นะห้องประชุมนี้นะใจก็อยู่ตรงนี้แหละตัวอยู่ตรงทางนะที่ทอดยาวอยู่ข้างหน้า ใจก็อยู่ตรงนี้แหละน ะ, ะไปที่บ้านไปนึกถึงลูกนะนึกถึงงานอันนี้ก็ไม่ใช่นะตอนนี้เราจะเปลี่ยนเรียบทนะโยมก็กลับมานั่งที่เดิมนะจำที่นั่งตัวเองได้หรือเปล่าเรียบทหลัอกอีกเรียบทหนึ่งนะของการเจริญสติ ตาม น, านวหลวงเทียนก็คือการยกมือเป็นจังหวะนะเรียกกันง่ายๆว่าสร้างจังหวะนะมันเป็นรูปแบบนะแต่ว่าเป็นรูปแบบที่ช่วยนะจริงเนี่ยนะเพียงแค่ลรอกกรรมแล้วก็แบรกรรม แล้วก็แบมันก็ช่วยได้นะโดยที่ไม่ต้องบริกรรมนะว่าพูดโทพูดโทรจะทําก็ได้เวลาตมาไปแนะนําผู้ป่วยเนี่ยนะที่เขามีความปวดมากเนี่ยแล้วเขาก็หายใจลำบากบางทีก็แนะนำเขาน้ว่าเนี่ยให้กรรมแล้วก็แบแล้วเพื่อช่วยทําให้เขาเนี่ยนะ ไม่ไปจมอยู่บความทุกข์มากเนี่ยก็ให้บริกรรมไปด้วยพุทธโธพุทธโธแต่ไม่จำเป็นต้องบริกรรมอย่างนั้นก็ได้โยมไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรใช่ไหมโยมก็แค่กรรมแล้วก็แบอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะให้รู้สึกตัวมันก็ คล้ายๆกับตามลมหายใจแต่ว่ามันหยาบกว่ามันเราจะรู้สึกได้ง่ายกว่าเพราะมันหยาบกว่านะหรือว่าจะครึ่งนิ้วหรือว่าพลิกมือไปพลิกมือมาก็ได้นะอาจจะเริ่มต้นที่มือขวาแล้วก็เริ่มตัวที่มือซ้ายขวาแล้วก็ซ้าย หรือจมือเดียวก็ได้ขาวาอย่างเดียวมันเป็นรูปแบบนะจ ก, กระดิกนิ้วก็ได้มันไม่ทิ้งหลักที่ว่าให้รู้กายเคลื่อนไหวระหว่างที่ทำเนี่ยนะนิ้วเคลื่อนไหวใจก็รู้จากสักพักเดี๋ยวใจมันลอยไปแล้วก็มีสติรู้ทันนะเรารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึก คิดนึงแต่ที่นี่ก็คือเผลอคิดนะไอ้คิดตั้งใจคิดนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่คร น, นี้ถ้าทำให้มันเป็นสำหรับผู้ฝึกใหม่นะไอ้การยกมือแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันช่วยได้ได้ดีนะถ้าทำคล่องแล้วเนี่ยนะแล้วค่อยมาใช้วิธีกรรมแล้วก็แบรกรรมแล้วก็แแบรหรือว่าพลิกมือไปพลิกมือมา ครึ่งนิ้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครั้นี้เนี่ยวิธีการวัดเทียนเนี่ยนะโยมก็ลองนะทําตามตามตาตมานนะเอามือทั้งสองข้างวางไวบ้บนบนตักเริ่มต้นที่มือขวาก่อนนะคือตั้งขึ้นนะแล้วก็ยกตาเปิดนะตานี้ทอดไปที่พื้นแล้วก็เอามือขวาวางไวท้ที่ช่องท้อง มือซ้ายวางไว้บนเขา่ายกขึ้นมาประกบกับมือขวาเลื่อนมือขวามาที่หน้าอกหายออกวางบนเขา่าประกบมือซ้ายเลื่อนขึ้นมาหน้าอกหายออกวางบนเขา่าประกบแล้วก็เริ่มใหม่ขวาตั้งขึ้นยก มาที่ท้องซ้ายตั้งขึ้นยกมาที่ท้องขวาเลื่อนมาที่หน้าอกหายออกวางบนเขา่าประกบซ้ายเลื่อนมาที่หน้าอกหายออกวางบนเขา่าประกบเริ่มใหม่ขวาตั้งยก ท้องท้องซ้ายตั้งยกท้องขวาหน้าอกหายออกวา่าบนเขา่าประกบซ้ายเลื่อนขึ้นหายออกวา่าบนเขา่าประกบขวายกท้องซ้ายยก ท้องหน้าอกหายออกวางลงหน้าอกหายออกวางลงาลองทำดูสบายๆไม่ต้องเพ่งจีมมือนะแค่รู้ว่ามือขยับนะแขนขยื่อนไม่ต้องปิดตานะ ให้รู้รวมๆนะว่ามีการเคลื่อนขยับที่มือและแขนแต่ว่าไม่ต้องไปเพ่งที่มือมันจะรู้เป็นขณะขณ น, นะการ การยกมือเนี่ยนะก็เป็นคล้ายๆเป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้ใจเนี่ยมันรับรู้ว่ามีการเคลื่อนไหวที่กายอันนี้เรียกว่ารู้กายนะรู้กายเมื่อมันเคลื่อนไหวรู้กายว่าเมื่อมันทำอะไรรู้ว่ากายขยับนะรู้ว่ากายทำแต่ไม่ใช่เราทำนะ มันเป็นการรู้ว่ากายทำอะไรไม่ใช่เราทำอะไรหรือกูทำอะไรนะมันเป็นกายที่ทำไม่ใช่ฉันทำไม่ไมเนี่ยมันก็จะอยู่กับกายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกมันยังไม่คุ้นกับการยกมือนะแต่พอมันทำคล่องแล้วนะมันก็เตรียมเที่ยวแล้ว มันก็จะไปคิดโน่นคิดนี่เหมือนเราขี่ขับรถนะขับรถพอเราขับคล่องนะอแล้วโอ้มือถือแฮนถือพวงมาลัย น, นะแต่ใจไม่รู้ไปไหนเพราะว่าขับคล่คองแล้วมันฟุ้งไปมันเผลอไปไม่เป็นไรรู้ตัวเมื่อไหร่กลับมากลับมาอยู่กับกับกาย กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันจะรู้เองว่ากายเคลื่อนไหวอย่างที่บอกนะั้นเราไม่เน้นการบังคับจิตนะแต่เราจะฝึกให้จิตเนี่ยมันมาอยู่กับกายด้วยความสมัครใจอาตมาเปรียบเทียบเหมือนกับเรานะ มีหมาเน้นๆแล้วหมาน้อยตัวนี้เนี่ยเราอยากให้มันอยู่บ้านเราไม่อยากมันออกนอกบ้าน อ, ออกไปข้างนอกบ้านแล้วอันตรายอาจจะโดนหมาใหญ่กัดหรืออาจจะโดนรถทับหรืออาจจะโดนคนขโมยไปทําอย่างไรจะให้หมาเนี่ยลูกหมาตัวเน้นๆเนี่ยมันอยู่กับบ้านวิธีที่ง่ายและเร็ว ก็คือล่ามนาันเอาไว้ผูกมนันเอาไว้หรือขังมนันเอาไว้วิธีนี้ได้ผลเร็วนะแต่ว่าถ้าเชือกขาดโซ่ขาดเมื่อไหร่นะอมันหนีตะลกระเปิดเ ป, ดเปิงตามตัวยา่าและยิ่งกว่านั้นนะการทำเช่นนั้นจะทำให้มันกลายเป็นลูกหมาที่ดุพอมันโตขึ้นเป็นหมาใหญ่มันก็จะกลายเป็นหมาที่ก้าวร้าวอารมณ์เสียง่าย ใจเราก็เหมือนกันนะใจเราเนี่ยถ้าเราไปใช้วิธีการไปบังคับนะมันจะเป็นใจที่ดุเป็นใจที่เครียดมีโทสะหลายคนภาวนาไปแล้วเนี่ยเครียดนะอารมณ์เสียนะเพราะไปบังคับจิตมันเอาไวา้วิธีการที่จะให้หมาน้อยเนี่ยมันมันอยู่กับบ้านนะอีกวิธีนึงคือให้อิสระภาพกับมันคือมันจะเที่ยว มันจะอยู่บ้านก็ได้มันจะออกไปก็ได้แต่มันออกไปเมื่อไรนะเราจะเรียกมันกลับมาหม้ๆเนี่ยเรียกแล้วเรียกเล่ามันังไม่กลับเลยเพราะว่ามันกำลังสนุกนะมีหมยใหญ่กําลังเห่ามันก็ไปไปเล่นกับไม้ใหญ่หรือบางทีมันมีเสียงนอกบ้านก็ไปดูว่ามีอะไรเรียกแล้วเรียกรอ่มันก็ไม่กลับ แต่ตอนหลังเนี่ยถ้าเราขยันเรียกบ่อยๆขยเรียกบ่อยๆนะมันจะกลับมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วถ้ามันถ้าเราทำยงบ่อยเนี่ยมันจะเชื่องถึงขั้นว่ามันรู้เองพอมันได้ยินเสียงหมาเห่าข้างนอกมันก็ขุนผันไปจะไปดูว่ามีอะไรแต่พอมออกจากบ้านไปสักสองสมเก้ามันรู้ มันรู้ตัวมันกลับมาเลยมันกลับมาเองโดยที่เราไม่ต้องเรียกมันลนะนี่ให้เราฝึกจิตแบบนี้การปฏิบัติแบบหลวงวสตเทียนคือการฝึกจิตแบบนี้คือให้สละกกับจิตที่จะอยู่หรือไปก็ได้อยู่คืออยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันหรือจะไปข้างนอกไปอดีตไปอนาคต แต่ว่าหน้าที่ของเราซึ่งเป็นเจ้าของหมาคือขยันเรียกมันกลับมานะเรียกมันบ่อยๆเราไม่ได้เรียกด้วยเสียงนะเราเรียกด้วยความรู้สึกของกายนะคือพอใจมันร้อยนะสักพักหนึ่งมันจะรู้สึกว่ามือขยับขาขยื่น พอมันรู้สึกว่ามันมีการขยับที่กายนะมันจะได้สติแล้วนะแต่ใหม่ใมมันยังไม่ได้สตินะแต่ทำไปทำทำไปนานๆมันจะได้สติเมื่อมันรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวมือขยับแขนขยื่นหรือว่ากำแบกํำแบนะมันคล้ายๆกับเวลาเราใจลอยนะหรือเรากำลังหมกมุ่นคุ้นคิดนะแล้วจู่ๆมีคนมาแตะมือเราแตะไหลเรา เพื่อนเพื่อนมาแตกข้างหลังเราได้สติเลยได้สติขึ้นมานทันีเลยเพราะว่าะอะไรเพราะว่าการสัมผัสที่ไหลที่แขนเนี่ยมันไปเรียกสติกับมามันไปเรียกจิตกลับมามันทำให้จิตได้สติแต่ว่าวิธีแต่เราไม่ไมต้องร้อยใครมาแตะไหลเรา เราอาศัยการเคลื่อนมือนี่แหละนะที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับสัญญาณที่ไปเรียกสติให้กลับมาไปเรียกจิตให้กลับมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็หมั่นทำขยันทำไปเรื่อยๆนะใหม่ๆเนี่ยนะกว่า ใจมันจะกลับมาที่กายหรือกลับมาอยู่กับปัจจุบันมารับรู้ว่ากายกำลังทำอะไรเนี่ยช้าแต่ถ้าเรารู้จักคอยนะทำไปเรื่อยๆมันจะกลับมาไวขึ้นมือนก็ลูกหมาที่มันรู้ว่าบ้านของมันเนี่ยอยู่ไหนมันรู้ว่าที่ทางของมันเนี่ยก็คือบ้านเราต้องมันนะ พาใจกลับบ้านนะเราต้องหมั่นพาใจกลับบ้านบ้านของใจคืออะไรบ้านของใจคือกายหรือปัจจุบันขณะนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องทำให้กายเป็นบ้านก่อนนะก่อนที่จะพาใจกลับบ้านต้องทำให้กายเนี่ยเป็นบ้านก่อนบางคนทา ให้กลายเป็นคุกนะของใจไม่ใช่บ้านของใจหมายความว่าบางคนเนี่ยพยายามบังคับจิตให้มันอยู่กับกายถ้าจิตมันถูกบังคับให้อยู่กับกายนะมันจะรู้สึกว่ากายนี้คือคุกนะไม่ใช่บ้านเพราะบ้านคือที่ ท, ท, ที่เรามีอิสระที่จะไปไหนมาไหนได้บ้านคือที่ ท, ที่เรามีอิสระที่จะอยู่หรือไปได้ ที่ไหนที่เราไม่มีสระที่จะไปนะเราเรียกที่นั้นว่าคุกนะบางคนทําบ้านให้เป็นคุกของของลูกนะนะลูกเนี่ยนะพอเขาสัว บ, บ้านจะเป็นคุกนะก็จะหาทางเนียวจากบ้านไปไหนมาไหนก็ไม่อยากกลับบ้านเรียกว่าเด็กใจแตกเด็กใจแตกนี่คือเด็กที่เขาไม่อยากอยู่บ้านเพราะเขาสัว บ, บ้านเนี่ยเป็นคุก เพราะมันมีแต่การบังคับแต่ถ้าเราทําให้บ้านเนี่ยมันเป็นบ้านจริงๆของลูกเขามีสระที่จะอยู่แต่เขาอยู่เองมีความสุขด้วยเขาก็อยากกลับบ้านใจของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราทําบ้านให้เป็นทำกายให้เป็นบ้านนะของใจใจก็อยากกลับมันไปไหนไปไหนก็อยากจะกลับแต่ทํา ทำกายให้เป็นคุกของใจนะั้นมันไม่อยากกลับและวิธีทําให้กลายเป็นคุกของใจการไปบังคับจิตให้มันอยู่กับกายอยู่กับกายนะมันจะแหกคุกอย่างเดียวถ้าอยู่คุกมันแหลมจะแหกนะธรรมชาติคนเราไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นเท่านั้นใจก็เช่นเดียวกันงั้นเวลาทำก็ทําสบายๆอย่าไปบังคับแต่เราใช้วิธีโน้มน้าวใช้วิธีอ่อนโยนใช้วิธีชักชวน ให้ใจเนี่ยอยากจะกลับมาอยู่กับกายพออยู่กับกายแล้วมีสละอยู่กับกายแล้วอบอุ่นนะไม่เครียดนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า บ, บ้านนะเอาละกเ็เวลาเราเหลือไม่มากนะในช่วงเวลาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงเวลาสำหรับคำถามและคาตอบ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านพระอาจารย์ไทศานวิสาโลเป็นอย่างสูงเลยค่ะสำหรับความเมตตาค่ะที่ท่านมอบให้กับญาติธรรมทุกท่านนะคะของชมรมกายานธรรมในการแสดงธรรมในการเดินจงกรมนะคะในการปฏิบัติและการนั่งเจริญสติค่ะถึงสิบสี่จังหวะด้วยกันนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ค่ะขอให้ทุกท่านกรุณากราบ พร้อมๆกันนะคะกรกรกระ แล้วก็ต่อไปเป็นช่วงที่ทุกท่านรอคอยแล้วค่ะนั่นคือช่วงของปุตช่าวิสัชนานะคะเราก็จะใช้เวลาช่วงนี้กันประมาณครึ่งชั่วโมงเช่นกันนะคะถ้าท่านใดมีคําถามที่น่าสนใจก็กรุณาส่งมากับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ๆท่านได้เลยนะคะถ้าคําถามไม่ซ้ําและเป็นคําถามที่น่าสนใจก็จะได้รับคัดเลือกขึ้นมา เ, เรียนถามปุจฉากับท่านพระอาจารย์ข้างบนนี้ค่ะเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะคะ พระอาจารย์ขาก า, กายในกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมคืออะไรคะมันมีการอธิบาย <c oughs> หลายแงย่หลายมุมนะแต่ว่าคา อ, อธิบายอันหนึ่งที่อรตมะคิดว่า ม, มันช่วยสระการปฏิบัติได้นะ ก็คือการเห็นว่ากายเป็นกายกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นเวทนาเป็นเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นจิตเป็นจิตไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นธรรมเป็นธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาเราเวลาเราเห็นกายเคลื่อนไหวเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เรา เช่นเวลาเห็นกายมันเดินเช่นเวลาเดินเนี่ยก็เห็นว่ากายเนี่ยมันเดินไม่ใช่เราเดินหรือไม่ใช่กูเดินธรรมชาติของเรานเนี่ยถ้าไม่มีสตินะมันจะไปรู้สึกไปสําคัญมั่นหมายว่ามีเป็นกูหรือมีกูทำโน่นทํานี่ตลอดเวลากูเดินกูคิดกูเจ็บกูปวด แต่สติเนี่ยมันคือการฝึกให้เราการจลน์สติการฝึกให้เราเห็นว่าเมื่อเดินเนี่ยนะมันคือกายที่เดินไม่ใช่กูเดินไม่ใช่ฉันเดินเวลาคิดนะก็เห็นว่ามันเป็นความคิดเกิดขึ้นที่ใจนะไม่ใช่กูคิดเวลาโกรธเนี่ยก็เห็นความโกรธ ว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในใจหรือเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจแต่ไม่ใช่กูโกรธหรือไม่ใช่ความโกรธเป็นของกูนะเวลาปวดก็เห็นว่าความปวดเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นที่แขนเกิดขึ้นที่ขาแต่ไม่ใช่ความปวดเป็นกูคือกูปวดหรือว่าความปวดเป็นของกู อันนี้คือการเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายว่าเป็นกายเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาเห็นจิตว่าเป็นจิตเอาสามขั้นตอนนี้ก่อนนะซึ่งจะทำได้เนี่ยคือสติหลวงพ่อคิดคำเขียนเนี่ยซึ่งไปรู้สึกหลวงพ่อเทียแล้วเปอาจารย์อัตมาท่านท่านท่านแนะอยู่เสมอนะหลักการปฏิบัติคือเห็นอย่าเข้าไปเป็นนะ เห็นจะเข้าไปเป็นเห็นความโกรธจะเป็นผู้โกรธเห็นความปวดจะเป็นผู้โกรธผู้ปวดนะสติเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเห็นกายเห็นจิตเห็นเวทนาตามที่เป็นจริงก็คือเห็นกายเป็นกายเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิตไม่ใช่เห็นเห็นกายเป็นเราเป็นของเราเห็นเวทนาเป็นเราเป็นของเราเห็นจิตว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เนี่ยผิด ฝึกได้นะมันเป็นสิ่งที่ฝึกได้ในชีวิตประจําวันเคยมีโยมคนนึงมาปฏิบัติที่วัดป่าสุโกโ ต, โตดูหลายวันหลวงพ่อคำเขียนนก็ไปไปสอบอารมณ์มีวันหนึ่งมีคราวนหนึ่งนะโยมจะก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อทำยังไงดีนะหนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่อคำเขียนท่านไม่ตอบแต่ บอกว่าเนี่ยถามไม่ถูกถามใหม่แกคิดสักพักแกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยหนูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินระหว่างหนูเครียดกับหนูเห็นความเครียดเนี่ยมันต่างกันั้มหนูเครียดก็คือความเครียดเป็นตัวหนูความเครียดเป็นของหนูนะแต่หนูเห็นความเครียดเนี่ยมันอีกอย่างนึ่งละ อันนี้คือเห็นความเครียดว่าเป็นความเครียดไม่ใช่เห็นความเครียดว่าเป็นเราเป็นของเรา we, we, ทำได้ไหมคุณ sí. ทำได้เห็นความเครียดว่าเป็นความเครียดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นความเครียดมันเป็นแค่ศัก์แต่ว่าอารมณ์ทันทีที่ไม่มีสติมันจะไปยึดสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายใจรวมทั้งเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเรา อีตัวอย่างหนึ่งที่อาตมาคิดว่าช่วยได้ดีนะแล้วก็เห็นภาพชัดนะพระเจาประสงค์เนี่ยท่านเคยไปงานศพนะแล้วก็มีเด็กประมาณเก้าขวบสิบขวบนะเป็นเป็นลูกของเจ้าภาพเนี่ยท่านก็เด็กคนนี้ก็มาอุปถัถากท่านเด็กบอกว่าเนี่ยพ่อแม่ของหนูคุณพ่อคุณแม่ของหนูเนี่ยไม่ว่าง嘛 ต้องรับแขกอีกมากนะหนูก็มันเลยมาช่วยคุณคุณพ่อคุณแม่มาดูแลหลวงพ่อเด็กเด็กฉลาดนะท่านก็คุยคุยสักพักท่านก็บอกหนูเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กดีหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วก็ท่านก็ดึงรูปประคำขึ้นมาออกจากย่ากเด็กหญิงเห็นเด็กก็ร้องอู้ฮูแม่จ่าประสงค์ถามหนูร้องอู้ฮูหนูเห็นอะไร เด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะสังเกตนะเด็กไม่ได้ว่าหนูดีใจนะเด็กบอกาหนูเห็นข้างในมันดีใจระหว่างหนูดีใจกับหนูเห็นข้างในมันดีใจต่างกันไหมหนูเห็นดีใจคือเป็นผู้เป็นละดีความดีใจเป็นเป็นกูเป็นของกูไปแล้วนะแต่เด็กเห็นความดีใจว่าเป็นความดีใจที่เกิดขึ้นในใจท่านถามต่อไปว่าแล้วหนูทําอะไรกับมัน เดยวก็ตอบดีเด๋ยว่าตอบว่าหนูไม่ได้ทำอะไรกับมันค่ะหนูหนูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันเบาลงละความดีใจมันลดลงละนะอันนี้ที่หลวงพ่อเทียนใชว่ารู้ซื่อๆนะคือไม่ต้องทำอะไรอันนี้คือภาคปฏิบัติของคำว่าเห็นเห็นเห็นเห็นจิตในจิตนะ เพราะอธิบายก็พอจะเข้าใจใช่ไหมเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นความดีใจว่าเป็นความดีใจคืออารมณ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับใจไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นกูเป็นของกูน ะ, อะตอบเท่านี้นะฮะค่ะงั้นเราไปที่คำถามต่อไปนะคะ การเดินที่ใจอยู่กับตัวถ้านับจำนวนตัวเลขหนึ่งสองสามไปด้วยจะถูกต้องไหมคะพระอาจารย์คะการนับการนับแบบนั้นเนี่ยเราเรียกว่าบริกรรมนะมันจะเป็นวิธีการไปบังคับจิตให้อยู่กับการเดิน เพื่อจิตเนี่ยมันจะได้ไม่วอกวักไปไหนนะตรงนั้นเนี่ยมันจะยังไม่ช่วยในการทำความสึกตัวเต็มที่นะการเจรญสติกการทำความสึกตัวเนี่ยเราต้องวางความคิดลงให้มันมีแต่ตัวรู้เป็นตัวรู้ร0อเเซ รู้ในในพุทธศาสนานี่มันไม่ต้องใช้การคิดนะถ้ารู้ในทางโลกต้องใช้ความคิดแต่รู้ในทางพุทธเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความคิดวิ่ีอย่างเช่นโยมเนี่ยตอนนี้รู้ว่าอัตมาเนี่ยผมผ้าเสียอะไรรู้ว่าอัตมาเนี่ยกำลังนั่งหรือยืนการรู้แบบนี้เนี่ยต้องใช้ความคิดไหมไม่ต้องใช้นะ รู้ว่าเคลื่อนไหวรู้ว่าเดินเนี่ยมันไมต้องใช้ความคิดนะบางทีเราต้องหยุดใช้ความคิดบ้างเพราะว่าเราใช้ความคิดมากเนี่ยจกระทั่งเราหยุดคิดไม่เป็นคราวนี้การนับเนี่ยอย่างทตงมาบอกมันเป็นการมันเป็นการคิดแบบหนึ่งนะมันเป็นวิธีการที่จะผูกจิตให้อยู่กับให้อยู่กับกาย อันนี้ก็มีประโยชน์นะในการที่ทำให้จิตมีสมาธิได้เร็วแต่มันจะมีปัญหาอยู่สองประการอันที่หนึ่งคือคนที่นับบ่อยๆเนี่ยถึงเวลาเริงนับนะมันจะดังอยู่ในหัวหนึ่งสองสนักปฏิบัติหลายคนนี้นะมันจะมีเสียงวุนเนี้ยอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยซึ่งหลายคนบอกรํำคานมากเลย ถามว่าจะทำยังไงให้มันหายไปบางคนพุทโธพุทโธประการที่สองเนี่ยมันเป็นวิธีการบังคับจิตแบบหนึ่งนะซึ่งถ้าถ้าหยุดนับเมื่อไหร่มันฟุ้งทันทีเลยเหมือนกับหมาที่ไปมัดมันด้วยเชือกพอเชือกขาดมันก็มันก็วิ่งหนีทันทีมันจะไม่รู้จักกลับมาบ้านด้วยตัวเอง หลายคนเนี่ยบังคับจิตให้สงบเพื่อจะได้ไม่ไปรับรู้อารมณ์ใดแต่พอเริ่งนับออกไปเจออารมณ์ต่างๆมากระทบเรียกว่าฟุ้งเลยหงุดหงิดนะ อาตมาเรียกความสงบชนิดนีว่าสงบเพราะไม่รู้หรือสงบเพราะตัดการรับรู้คือผูกจิตไม่ให้มันไปรับรู้อารมณ์ใดซึ่งช่วยทำให้สงบแต่ว่าพอไม่ผูกมันแล้วมันไปเจออารมณ์เช่นลูกรถกลิ่นเสียงสัมผัสนะมันจะกระเพื่อมได้ง่ายหลายคนมาปรึกษาอาตมาว่าเนี่ยทำไมเข้าคอร์ส ภาวนาสมาธิมาหลายครั้งแต่ทำไมยังโกรธอยู่เพื่อนบางคนนี่เขาไม่ค่อยเขาได้เข้าคอร์สเท่าไหร่แต่ทำไมเขาอารมณ์เย็นกว่าหนูเข้าคอร์สมาหลายครั้งยังโกรธอาตมาก็เดาว่าเป็นเพราะว่าเนี่ยพยายามไปพยายามไปฝึกพยายามใช้การภาวนาของของเธอเนี่ยหรือของเขาเนี่นะมันเป็นการไปพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดพยายามบังคับจิตไม่ให้ไปรับรู้อารมณ์ใด ซึ่งทำได้ง่ายเวลาอยู่ในคอสอยู่ในกุฏิอยู่ในวัดแต่พอกลับไปบ้านนะกลับไปที่ทางานเจออารมณ์ต่างๆมากระทบเนี่ยไปไม่เป็นฟุ้งมากเพราะขาดการฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์นั้นคือเก่งแต่เรื่องบังคับจิตแต่ไม่ฝึกจิตให้รู้ให้มีสติรู้ทันอารมณ์เวลา มันเกิดขึ้นในใจหรือเวลาที่ใจกระเพื่อมมีผู้ชายหนึ่งแกปฏิบัติธรรมนะเข้าคอร์สหนึ่งวันตอนไปเข้าคอร์สนี้ก็ใจก็สงบมากเลยนั่งก็สงบเดินก็สงบเพราะว่าต่างคนต่างเดินไม่มีการพูดคุยกันอยู่ในห้องแอร์นะเย็นสบายเสียงก็ไม่ดังนะพอพอหมดวันนะกลับบ้าน แกเดินไปที่จอดรถจะจอดรถเอาไว้บอกว่าจอดไม่ได้แอบวอกว่าออกไม่ได้เพราะมีความจอดซ้อนแกโมโหนะแกถึงกับโวยนะวายตะหวาดดาคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ตกใจนี่เพิ่งเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมาทำไมเป็นอย่างนี้นะไอตอนปฏิบัติสงบแต่พอออกไปเจอโลกภายนอกทำไมไม่สงบหลายคนมีปัญหาแบบนี้ต้องมาเชื่อเป็นเพราะว่า เขาเน้เรื่องการบังคับจิตไม่ให้ไปรับรู้อารมณ์ใดแต่เราไม่สามารถจะบังคับจิตไม่ให้รับรู้อารมณ์ดใดต่างๆเนี่ยไปได้ตลอดถึงเลาก็ต้องออกไปรับรู้อารมณ์และเ้าไปเจออารมณ์เช่นภาพที่ไม่พึงพอใจเช่นรถออกไม่ได้เพราะมีคนอีกคันจอดซ้อนหรือไปเห็นหน้าคนที่ตัวเเกียด บางคนรับเสือดำเห็นฆาตกรฆ่าเสือดำในโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์กับเพื่อมเลยนะหรือบางทีเห็นตำรวจนะรับผิดชอบคดีนี้พูดให้สัมภาษณ์ปกป้องโกรธโมโหขึ้นมาเลยเนะมื่อกี้ยังสงบอยู่เลยแต่พอไปรับรู้อารมณ์ใดนี่มันอันนี้เพราะไม่มีสติฮะแล้วไม่ได้ฝึกสติฉนั้นเนี่ยฝึกสติไว้บ้างนะคือ อนุญาตให้จิตเนี่ยมันมันกระเพื่อมแต่ฝึกจิตให้มันรู้ทันวิธีที่จะอนุญาตจิตมันมันไปกระเพื่อมคือว่าไม่ต้องไปบังคับมันเอาไว้ไม่ต้องไปผูกมันเหมือนกับไปล่ามหมาน้อยเอาไว้นะวิธีการล่ามนั่นก็คือการนับการบริกรรมนะหรือการไปเพ่งซึ่งมีประโยชน์นะมันช่วยทำให้จิตสงบได้แต่ว่าเราต้องฝึก คุณสมบัติของอันอื่นของจิตด้วยคือการมีสติการรู้ทันมีคือการจริญสติเนี่ยนะมันคนไปเข้าใจว่าคือการควบคุมความคิดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการจริ์สติเนี่ยก็คือการไม่ปล่อยให้ความคิดมาควบคุมเราต่างกันนะ กาครควบคุมความคิดเนี่ยก็คือไปทำอะไรไม่ให้จิตมันคิดหลายคนจะไปคิดว่าภาวนาดีเพราะการเจริญสติปัฏฐานนี่คือการไปควบคุมความคิดควบคุมจิตแต่ที่จริงแล้วมันคือการไม่ปล่อยให้ความคิดหรือไม่ยอมให้ความคิดมาควบคุมเราต่างหาหมายความว่ามันจะคิดยังไงมันทำอะไรใจไม่ได้ มีความโกรธแต่ความโกรธนั้นทำอะไรใจไม่ได้มีความเครียดแต่ความเครียดทำอะไรใจไม่ได้เพราะว่าเห็นมันไม่ข้อไปเป็นมันเห็นมันเครียดนะไม่ใช่หนูเครียดเห็นความโกรธไม่ใช่เป็นผู้โกรธต่อเลยเห็นความโกรธไม่เป็นผ <has sunshine. S 1> ู้โกรธนะความโกรธทำอะไรไม่ไ <trong> ด <acontecendo> <te> ้นะไอที <việc shower burden> ่ทำได้เพราะไปเป็นผู้โกรธซะแล้ว เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปพยายามให้เข้าใจว่าการปฏิบัติการภาวนาเนี่ยโาการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่การควบคุมความคิดแต่คือการไม่ยอมให้ความคิดมาควบคุมเราไม่ใช่การควบคุมอารมณ์แต่คือการไม่ยอมให้อารมณ์มาควบคุมเรามันจะเกิดเกิดไปแต่มันทําอะไรใจเราไม่ได้มันมาสั่งบงการให้เราดา่าให้เราทําร้ายหรือทําให้เราหงุดหงิดนะไม่ได้เพราะว่าเราเห็นมัน ไม่คยไปเป็นมันไม่คยไปยึดมันแต่เราส่วนใหญ่มักจะไปพยายามควบคุมความคิดและวิธีนี้ที่ใช้คือการนับนะหนึ่งสองสามนะซึ่งทำได้และมีประโยชน์แต่ว่ามันจะไม่ช่วยทำให้เราเนี่ยไปอยู่กับโลกภายนอกหรือเผชิญกับโลกภายนอกได้ด้วยใจที่สงบ พระอาจารย์คะถ้าผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกค่ะจะสามารถปฏิบัติตามแนวทางการเคลื่อนไหวมือได้หรือไม่อย่างไรคะได้นะตัวอย่างที่ชัดคืออาจารย์กัมพลทองบุญนุ่มเนี่ยนะท่านพิการติดเตียงนะตั้งแต่คอลงมาเนี่ยนะขยับคยื่นได้ยากมากเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุทาให้ประสาเนี่ย ตั้งแต่คอลงมาเนี่ยมันขาดนะท่านก็ทุกอยู่สิบกว่าปีเพราะรู้สึกว่าอยู่มันรอวันตายรักษาไม่ได้ตอนหลังก็หามาสนใจธรรมะที่แรกอ่านธรรมะก็สบายใจแต่พอหยุดอ่านเลิกอ่านมันก็ทุกใหม่ท่านก็เลยเห็นความจำเป็นการภาวนาท่านก็เลยเขียนจดหมายไปถามว่กคาเขียน หลวงพ่ อ, ขอเขียนก็แนะนำว่าถ้าเดินจงกรมไม่ได้ยกมือสร้างจ่อไม่ได้ก็พลิกมือแล้วกันแค่เนี้พลิกมือไปพลิกมือมาแล้วท่านก็สอนเนี่ยให้รู้นะว่าไอ้ที่พลิกเนี่ยมันคือรูปเวลามันมีความคิดเนี่ยนะมันก็คือนามไอ้ที่พลิกเนี่ยคือรูปไม่ใช่เราพลิกนะไอ้ที่คิดเนี่ยมันคือนามไม่ใช่เราคิดนั่นก็พลิกไปพิกมา ใจฟุ้งบ้างลอยบ้างช่างมันกลับมาอยู่กับอยู่กับมือที่พลิกนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่เวลาม่นานนะเดือนเดือนท่านเขบอกเนี่ยจิตเราจากความทุกข์แล้วเพราะว่าเคยไปคิดว่าเนี่ยไอเราเคยคิดว่าเราพิกการเราพิกการจริงจริงไม่ใช่ไอที่พิกการคือกายพิกการต่างหากใจไม่ได้พิ ก, การด้วยนะนี่แหละเห็นกายในกายแล้ว เห็นกายว่าเป็นกายเห็นกายไม่ได้เห็นกายว่าเป็นเราแต่คนส่วนใหญ่กายพิการก็คิดว่าเราพิการแต่ปฏิบัติไปมันเห็นความจริงขั้นพื้นฐานเลยนะเบสิกมากคือว่าไอ้ที่พิการคือกายพิการไม่ใช่กูพิการไม่ใช่เราพิการจิตเลยไม่พิเจอจิตเลยไม่พิการต่อไปละแต่ก่อนเนี่ยกายพิการจิตก็เลยพิการด้วยแต่พอเห็นความจริงว่ามันกายพิการไม่ใช่เราพิการเนี่ยจิตเราจะความทุกข์เลย เบาไปเยอะเลยน ะ, นะตัวอย่างที่จะมาแนะเนี่ยคือเนี่ยกรรมมือกรมแล้วก็แบกกรมแล้วก็แบก็เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยติดเตียงทําได้ขยับนิ้วก็ได้นะฮะมันมีวิธีการสร้างความรู้สึกตัวเจริญสติหรือเป็นเครื่องเกาะยึดเหนี่ยวใจไม่ให้ไปไปจมอยู่กับความเจ็บความปวดหรือไปพุง่งกรุงแต่งในทางลบทางร้ายเนี่ยทำได้นะ ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ทุกกายเนี่ยเขาทุกใจด้วยแต่สติเนี่ยนะมันจะช่วยปลดเครื่องจิตออกจากความทุกข์มันจะเหลือแต่กายที่ทุกข์นะแต่ใจไม่ใจไม่ทุกข์กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยได้ฉะนั้นก็ต้องหาอุบายนะปัญหาคือเราจะไปยัดเยียดเขานะบางทีผู้ดูแลเนี่ยนะ อยากจะให้พ่อแม่อยากจะให้คนป่วยเนี่ยเขาอยากจะมีธรรมะอยากจะปฏิบัติธรรมบางทีก็พยายามให้เขาฟังยัดเยียดให้เขาฟังบทสวดมนต์นะหรือว่ายัดเยียดเขาฟังเทปธรรมะนะทั้งที่เขาไม่ชอบอย่าไปทําอย่างนั้นนะการปฏิบัติก็เหมือนกนอารใหญ่ให้เขาทําแต่ว่าจะไปยัดเยียดเขานะแล้วก็ ให้เราให้เราให้เรามองถ้าเราจะเสนอแน่อะไรเนี่ยให้เราเอาเขาเป็นศูนย์กลางนะเขาเข้าใจได้แค่ไหนเขาปฏิบัติได้แค่ไหนก็เริ่มต้นที่ตรงนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยบางทีรูปแบบเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องใช้รูปแบบตามมาตรฐานก็ได้นะปรับให้สอดคล้องกับเจ้าตัว นะอย่าไปติดที่รูปแบบอย่าไปติดที่พิธก ท, ที่ทมเนียมเคยมีเรื่องเล่านะมีชายหนุ่มเนะี่ยมาบวชกับหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธค่อยๆภาวนาพุทธโธแกภาวนาไม่ได้เลยมันนึกถึงแต่หน้าแฟนนะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าแฟนชื่ออะไรสมมติชื่อสมศรีนะเออเอาสมศรีนี่แหละนะ หายใจเข้าสมหายใจออกสีนะก็ได้เรื่องเลยนะใช้ได้เลยนะไม่ฟุ้งเลยคนนี้คือบางทีมันต้องคนที่เข้าใจการปฏิบัตินนะมันกล้ากล้าออกนอกกรอบนะไม่ใช่ว่าต้องพุทโทรบางทีเอาชื่อแฟนนี่แหละมาบริกรรมก็ได้จับหลักให้ได้นะเอาเอาเอาเจ้าตัวเป็นศูนย์กลางนะอย่าใช้วิธียัดเจียด คนป่วยเขาถนัดเขาคุ้นกับอะไรก็ เ, เอาเอาสิ่งนั้นเป็นสื่อนะงั้นอย่าเอาความปรารถนาดีของเราเป็นตัวตั้งนะเพราะบางทีมันสร้างความทุกข์ให้กับคนป่วยและสร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยเมื่อเขาไม่ไม่คล้อยตามนะลูกที่ปรารถนาเดียวพ่อแม่ทุกเพราะทุกเพราะเห็นนี้มาเยอะและ้วนะ ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะเวลานั่งสมาธิจะรู้สึกปวดขามากเลยค่ะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะมีบางท่านบอกว่าให้ทนเอาทนปวดไปจนถึงที่สุดเลยแล้วมันจะหายปวดไปเองค่ะแต่ว่ามันปวดจริงๆไม่สามารถทนไหวต้องทําอย่างไรคะพระอาจารย์คะขยับตัวได้ไหมคะสำหรับผู้ฝึกใฝ่นะก็สตยิยังยังอ่อนอยู่ถ้าปวดมากๆเนี่ย ก็ควรขยับนะแต่ตอนขยับเนี่ยนะเช่นลุกก็ให้ทำอย่างรู้สึกตัวอย่าผลันพลันค่อยๆทำอย่าทำด้วยความอยากอย่าทำด้วยความรู้สึกปวดนะจึงทำอย่างนั้นนะทำช้าๆแต่ครนี้พอเราปฏิบัติได้ได้มากขึ้นสติเราดีขึ้นเนี่ยลองไม่ขยับดูลองสังเกต ว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันทุกข์เพราะอะไรหลายคนบอกว่าทุกข์เพราะปวดทุกข์เพราะเมื่อยทุกข์เพราะเจ็บขาเดี๋ยวไม่ถูกหรอกมันยังมีมากกว่า น, นั้นดูให้ดีมันมีอะไรดู้ไหมมันมีอะไรทุกข์ใจความทุกข์ใจความไม่พอใจ มันบน่นมันโมยวายปวดห้วยปวดห้วยเมื่อไหร่จะหยุดพูดสักทีเมื่อไหร่จะได้ขยับไปสักทีอันนี้ <c oughs> เห็นหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่เห็นคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาปวดเนี่ยมันไม่ได้ปวดแต่กายนะมันปวดใจด้วยเวลาร้อนมันไม่ได้ร้อนแต่กายมันร้อนใจเวลาหนาวมันไม่ได้หนาวที่กายเดี๋ยวมันหนาวที่ใจด้วยแต่ส่วนใหญ่มองไม่เห็น เพราะไม่สังเกตดูใจองตัวลองใช้โอกาสนี้ดูใจดูว่าทุกข์จริงๆเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันไม่ได้เกิดที่ขามันเกิดที่ใจใจที่ผักใส่ผู้อีแบบหนึ่งนะความปวดไม่ได้รบกวนเราเราต่างหาที่ไปรบกวนความปวดนะคุณลองมองตรงนี้ให้ดีคุณจะเห็นแล้วคุณจะ้วคุณจะเห็นต่อไปแนละ้วไอ้ที่ปวดจริงๆเนี่ยคือปวดที่ใจ ไม่ใช่ปวดที่ขาและปลวดที่ใจเพราะใจมันโวนใจมนไม่ยอมรับใจมันต่อสู้ผักใสใจมันดิน้นและไม่มีสติเห็นพอมีสติเห็นนะสติเห็นอาการของใจที่ว่านะใจมันจะสงบเลยใจมันจะสงบเลยเท้าหรือแขนหรือขาอยัางปวดอยู่นะแต่ใจมันสงบเพราะว่าความหงุดหงิดเนี่ย มันเกิดขึ้นเมื่อไม่มีสติพอมีสติปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะเป็นปกติมันจะเหลือแต่ความเจ็บขาเจ็บกายแต่ใจเนี่ยปกติและนี่คือสิ่งที่ทําให้หลายคนเนี่ยสามารถจะอยู่กับมันได้อยู่กับความเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บอยู่กับความปวดไม่เป็นผู้ปวดความปวดไม่ได้หายนะความปวดไม่ได้หายแต่ใจไม่ปวดแล้วนะ ลองฝึกแบบนี้ดูมันทำได้มีหลายคนนะที่พอเขาทำใจถูกนะไอ้ที่ว่าปวดไม่ไหวปวดไม่ไหวนีมน่มันหมดไปเลยมีเพื่อตา ม, มาแล้วมีคนหนึ่งนะเธอไปปฏิบัติธรรมกับสำนักหนึ่งเนี่ยโผลเขาให้นั่งเนี่ยเป็นวันวันเธอไม่ค่อยได้ไม่คุ้นกับการปฏิบัติแบบนี้เท่าไหร่ปฏิบัติไปสามวันสี่วันเนี่ยโอ้ มันปวดมากพอถึงวันที่สี่วันที่ห้านี่นั่งนี่นะปวดจนกระทั่งเหมือนกับว่ากระดูกนี่มันจะแยกจากกันเลยมันปวดจนกระทับอกว่าตายแน่ๆเลยถ้าฉันยังปวดต่อไปแต่ขยับไม่ได้เพราะคนหนึ่งเขาไม่ขยับใช่ไหมก็ต้องอยู่มันบนว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะตายแล้วอยู่ๆมันมีเสียงดังขึ้นมาตายก็ตายวะพอมีเสียงดังขึ้นมานะมันโล่งไปเลยนะ เพราะว่าใจมันยอมรับว่าเออตายก็ตายพอใจมันยอมรับความปวดได้เนี่ยมันไม่ไปทะเลาะความปวดแล้วเนี่ยใจมันสงบเลยความปวดยังมีอยู่ไหมมีแต่ใจมันสงบแล้วมันชื่อเห็นเลยนะว่าไอ้ที่ทนไม่ไหวเนี่ยมันไม่ใช่กายแต่มันคือใจแต่พอใจเนี่ยมันยอมรับได้ตายก็ตายวะยอมพอยอมปุ๊บจิตมันหยุดดิ้นพอหยุดดิ้นปุ๊บนี่สงบเลย คุณจะไม่รู้จักสภาวะนี้ถ้าคุณขยับตลอดเวลาปวดปุ๊บขยับปวดปุ๊บขยับบางทีต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็เรียนรู้จากมันว่าฉันเป็นไงเนี่ยหนึ่งจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ทุกข์กายเดียวมันมีทุกข์ใจด้วยและเห็นต่อไปว่าทุกข์ใจเนี่ยหนักกว่าทุกข์กายและเรียนรู้ว่าแม้ทุกข์กายแต่ใจสงบได้นะ เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกโดยที่ใจไม่ทุกนะอันนี้แหละคือคือเหตุผลว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยอยากขยับนะลองดูทำไปเรื่อยๆบางคนเขาก็ไม่เจ็บจริงๆนะเพราะว่าพอพอมันพอนั่งไปนานๆเนี่ยจิตสงบนะไอ้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยเลือดลงต่างหรือว่า มันดีขึ้นแล้วก็อาจจะเชื่อว่ า, า จ, จะมีเอนโดฟินเนี่ยหรือสารสื่อประสาทบางอย่างนี่มันหลั่งมาทําให้ความปวดทุเราลงนะความปวดเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปที่สมองเราจึงจะรู้สึกปวดแต่ถ้าสัญญาณไปไม่ถึงสมองนะเราจะไม่รู้สึกปวดและที่มันไปไม่ถึงสมองเพราะว่าสารสื่อประสาทบางตัวเนี่ยมันไปบล็อกเอาไว้หรือมันไปสลายเช่นพวกสารพวกเซโรโทนินโดพามิน ไอ้นี้มันเกิดขึ้นเวลาเรามีสมาธิหรือเวลาเราเกิดปิตินะเพราะเนี่ยบางคนเนี่ยพอเขาเห็นสภาวะของใจนะเขาปลืม้มเขามีสัจเขาปิติเลยนะไอ้ความปวดนี่ ท, ที่แขนที่กายที่ขานี่หายไปเลยแต่บางคนปวดแต่ใจไม่ปวดนะฮะนี่คือสภาวะที่คุณเรียนรู้ได้ จากการที่ฝึกที่จะไม่เคยยืนมข ย, ยับนี่สำหรับผู้ปฏิบัตินะที่พัฒนามปถึงจุดหนึ่งนะต่อมาอยากจะให้ลองดูค่ะพระอาจารย์ค่ะคำถามนี้ค่อนข้างอินเทรนด์มากเลยนะค ะ, คะ ปัจจุบันมีคนไปทำบุญกันมาและมักจะมาโพสต์ลงไปใน l ล n e หรือใน Facebook เพื่อให้เพื่อนๆมาช่วยกันสาธุนะคะถ้าเราไม่ได้รู้สึกสาธุกับเขาจะบาปไหมคะและถ้าเรารู้สึกสาธุกับเขาแต่ว่าไม่กดไลค์กดแชร์ค่ะรู้สึกในใจเฉยๆได้บุญไหมคะคือไม่สาธุไม่เป็นไรนะแต่ยมัยำหมันไส้นะถ้าคุณหมันไส้นี่บาปเลยนะ แต่ถ้าคุณสาธุด้วยใจจริงนะคืออนุมโมทนาเนี่ยคุณได้บุญนะเป็นบุญที่เขาเรียกว่าปัตตาอนุมโมทนาใหม่นะคือบุญที่เกิดจากการอนุมโมทนาในความดีที่ผู้อื่นได้ทำซึ่งทำได้ยากนะเพราะว่าเวลาใครทำบุญถ้าทำบุญมากกว่าเราเด่นกว่าเราบางทีเราก็เขม่นนะมันจึงมีคตินะไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังได้ยินอยู่ว่าทาดีแต่่าเด่นจะเป็นภยัย นะอันนี้หลงวิจิตรวัฒการนั่นแต่งไว้เมื่อ80ปีที่แล้วแล้วก็เป็นคติคําขวัญของคนไทยจำนวนมากคือทําดีแต่จะเด่นเพราะว่าถ้าเด่นแล้วเนี่ยคนอื่นจะคอมเมนตนะเพราะว่าดีเกินไปนะที่จริงถ้าเขาเด่นนะต้องอนุมโมทนานะไม่ใช่คอมเมตไม่ใช่อิจฉาเขาต้องมีมุทิตาจิตหรือว่าอนุมโมทนาเพระในเวลาเขาทาความดีนะอธมารุวโรย์อย่าไปอย่าไปหมันใส้เขานะเราสาธุเราอนุมโมทนา ส่วนคนที่โพสเนี่ยต้องถามตัวเองว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่ากูทำบุญหรือเปล่ากูทำความดีเพื่อผู้คนจะได้อนุโมทนาไหมถ้าทำงี้มันทำด้วยมานะทำต้องทาด้วยจิตที่อยากจะประกาศให้โลกรู้ว่ากูทำอะไรกูทำดีแค่ไหนหรือทำเพิ่อจะได้ให้คนเขาชื่นชมมานะนี่เป็นกิเลสนะฮะไม่ใช่แปลว่าความพยายาม คุณลักษณะอย่างหนึ่งของผู้จ้านะก็คือเป็นผู้ที่กระจัดเสียซึ่งมานณะเป็นผู้ที่ลดทงคือมานณะลงได้นะไม่ใช่ชูทงมานณะนะบางทีเราเราโพสต์อะไรต่างๆคือ a c e b o o k เนี่ยเพื่อเพื่อชูทงมานณะเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเราทำความดีเราเป็นคนมีศีลหรือเพื่ออยากจะได้คำสรรเสริญยนยอให้เขากดไลค์อ่ ลองเวลาทำความดีนะลองทำโดยไม่ประกาศแล้วคุณจะรู้เลยนะ้ำมานน้ามันไม่ชอบเฮ้ย <Hey, S 1> ต้องประกาศต้องต้องแสดงให้โลกรู้นะตรงนี้มันโอกาสที่คุณจะได้สู้จะได้ทวนกระแสกับมานะเพราะว่ามาน้ามันต้องการโชว์ต้องการอวดต้องการประกาศให้โลกรู้และเพือนนี้เนี่ยเฟซุ๊เนี่ยคนยังติดมากเพราะมันมันสนองกิเลสส่วนเนี้ย คือส่วนที่ได้แสดงมานะได้ตอบสนองมานะหรืออัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมาว่าคนคนโพสต์ก็ต้องถามตัวเองว่าทําไปเพื่ออะไระถ้าทําไปเพื่อเชิญชวนให้คนมาทําบุญอันนี้ดีแต่ถ้าทําไปเพื่อต้องการประกาศให้คนเขารู้ว่าฉันเป็นคนมีศีลมีธรรมหรือทําเพื่อล่าล่าจํานวนไลค์อันนี้อันนี้มันมันเป็นการทําเพื่อเอา ไม่ใช่ทำเพื่อนละนะอั น, นี่ต้องระวังนะต้องถามตัวเราเองว่าเจตนานเนี่ยคืออะไร